ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องเห็นเปลือกไม่เห็นแกนพระวกลิเทระโดยสมณาทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่5พฤษภาคม2546ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณาบาัดนี้ นะั้เป็นประวัติของพระสาวกรูปหนึ่งนะชื่อว่าพระวักกริเราคงจะได้ยินชื่ออยู่บ่อยๆแต่เราอาจจะยังไม่เคยได้ยินประวัติของพระวักกริอดีตชาติของพระวักกริเถระได้ทำบุญเอาไว้แต่ปางก่อนแล้วตั้งแต่ในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์ที่พระนามว่าปทุมุตระในชาตินั้นได้เกิดเป็นบุตรของพราหมณ์ ในพระนครหงสาวดีมีอยู่คราวหนึ่งได้ฟังธรรมของปทุมุตระพุทธเจ้าแล้วชอบใจเกิดความยินดีในการที่พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งให้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านการหลุดพ้นกิเลสด้วยศรัทธาโดยขวนขวายในการดูแลใกล้ชิดพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดี นะคือปรากฏว่าพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์เนี้ยมีแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งเป็นเอตัทะคะนะอันนี้ก็เรียกว่าเนี้ยมีความยอดเยี่ยมในด้านใดด้านหนึ่งแต่ภิกษุรูปนี้นี่ยอดเยี่ยมในด้านการที่หลุดพ้นกิเลสมาได้เพราะมีใจศรัทธาต่อต่อการปฏิบัติหรือต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยมากก็เลยทําให้สามารถหลุดพ้นได้เพราะใจศรัทธาตัวนี้ จากการพบเห็นข่าวนั้นนะของของอดีตชาติของพะวัคคิรินี่นะก็เกิดแรงปรารถนาที่จะได้เป็นผู้เลิดยอดเช่นนั้นบ้างจึงนิมนต์พระพุทธเจ้ากับภาษาวกถวายอาหารอันประณีตให้เสเวยตลอดเจ็ดวันด้วยใจเต็มเปี่ยมด้วยปิติแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระมหามุนีข้าพระองค์ปรารถนาได้เป็นเช่นภิกษุผู้ศรัทธาวิมุต นะศรัทธาวิมุตติก็คือเนี่ยหลุดพน้นกิเลสด้วยศรัทธานั้นถ้าเรียกเป็นภาษาที่ใช้ในทางพระก็เรียกว่าศรัทธาวิมุตติดังที่พระองค์ตัดชมเชยภิกษุรูปหนึ่งว่าเลิศกว่าภิกษุทั้งปวงที่มีความศรัทธาในพระศาสนานี้คือพูดง่ายๆนะอดีตชาติของพระวักะลิเนี่ยทำบุญใหญ่เลยเพราะอยากอยากได้อย่างนี้บ้าง ก็เลยทําบุญนิมนต์พืชเจ้านิมนต์หมู่สงมาแล้วก็นะถวายทานถวายอาหารอันปณะีตเจ็ดวันเลยตลอดเจ็ดวันเลยนะเสร็จแล้วก็พอถวายเสร็จแล้วก็อถามกับพระพุทธเจ้าอ่ะนะทูลถามพุทธเจ้าว่าเนี่ยอยากจะเป็นอย่างพิสูรรูปนี้บ้างเนี่ยเนี่ยจะยังไงเนี่ยมีสิทธิ์ไหมอะไรอย่างเงี้ย พระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเขาแล้วตรัสขึ้นท่ามกลางพุทธบริษัทว่าจงดูมานพผู้นีเ้เถิดในอนาคตการเขาจะได้ชื่อว่าวักริเป็นภาษาวกของภาษาสดาพนามว่าโคดมเขาจะได้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านศรัทธาวิมุตติพยากรเลยก็ไม่รู้นะ่าจะอีกกี่ชาติกี่กับก็แล้วแต่แต่ผู้เจ้าองค์นี้พยากรไม่ล่วงหน้าแล้ว ว่าจะได้เป็นอย่างนี้เขาได้ฟังคำตรัสนั้นแล้วมีปิติสุขยิ่งนักกระทำบุญสร้างกุศลจนตลอดชีวิตเมื่อตายแล้วก็ไปเกิดในภพชาติใดก็มีแต่ความสุขในที่ทุกสถานจนกระทั่งถึงชาติสุดท้ายจึงจึงได้เกิดกับตระกูลพรามในกรุงสาวัตถีนครหลวงของแคว้นโกศล บิดามารดาได้ตั้งชื่อให้ว่าวัคกลิวัคกลแปลว่าผู้ขับไล่บาปโทษไปหมดแล้วตั้งแต่วัคกฤิยังเป็นทารกน้อยนอนแบ่เบา อ, อยู่มารดาถูกภัยจากปีศาจคุกขามพอจะเข้าใจไหมภัยจากปีศาจ ค, คุกขามใครเข้าใจยังไงบ้างฟังตรงเนี้ยมาเนี่ยมารดาของพระวัคกลยเนี่ย ปรากฏว่าตอนพระวกริยังเป็นทาโลกอยู่เนี่ยนะมานดานเนี่ยถูกปีศาจคุกคามปีศาจนี่คืออะไรปีศาจส่วนใหญ่เนี่ยก็อะไรอ่ะสิ่งชั่วร้ายใช่ไหมหรือว่าอะไรที่มันไม่ดีอะไรเงี้ยเขาก็มักจะใช้ว่าเป็นพวกพูดปีปีศาจเป็นอะไรต่ออะไรแต่ในสภาพจริงๆอันเนี้เราต้องเข้าใจเลยถ้าบอกว่าโอ้โหถูกปีศาจคุกคามนี่แล้วจริงๆปีศาจมันมีไหมในโลกเนี่ย ที่หมายถึงว่าปีศาจไอ้ที่ในหนังละครน่ะถ้าเป็นหนังจีนก็ตัวแข็งๆกระโดดกระโดดกระโดดเอาถ้าไทยอะไรไทยก็เป็นกระสือเป็นปอบเป็นอะไรอ่ะอืนะไอ้ปีศาจอย่างนั้นมนะีหรือเปล่าอปีศาจอย่างนั้นจริงๆไม่มีนะนั่นก็เป็นเรื่องเล่ากันไปเป็นตุเป็นตาอะไรกันไปนเรื่อยอ่ะแล้วก็สร้างจนกระทั่งโอ้โหคือสร้างเรื่องอ่ะนะ รางจนลึกลับซับซ้อนจนในที่สุดคนก็กลัวกไ่ทั่วเลยแต่ปีศาจจริงจริงเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยจริงๆแล้วก็อยู่ที่จิตใจทั้งนั้นแหละสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจะอะไรอีกนะก็มีต่ออะไรไม่ห่างไม่ไกลอยู่ที่ใจเรานันเองอะไรอย่างนี้ที่เขามีต่อเั้นจริงจริงเนี่ยปีศาจเนี่ยบอกว่าเนี่ยมารดาของของทาลก วัคกัลิเนี่ยบอก็ถูกภัยจากปีศาจคุก ค, คามไม่ใช่อะไรหรอกก็คือจิตตัวเองนี่แหละที่มันอะไรอ่ะมันหลอนมันอะไรกลัวนั่นกลัวนี่กลัวอะไรนะคนที่เห็นผีเนี่ยบอกแล้วว่าผีมันไม่มีนะผีผีที่จะเป็นอะไรอ่ะเป็นรูปร่างเป็นอะไรต่ออะไรอ่ะมันไม่มีหรอกแต่คนที่กลัวผีหรือว่ามีอุปทานแม้ไม่กลัวนะแต่มีอุปทานเชื่อว่าผีมีอย่างงั้นผีมีอย่างงี้ ก็เห็นเห็นผีได้เห็นเพราะมโนโมยอัตตาคือจิตเนี่ยมันปั้นได้แล้วก็หลอนตัวเองนั่นแหละหลอนได้แม้แต่อะไรอะ่ะหลอกหลอกตัวเองก็ได้หลอกเป็นหมู่เลยก็ได้แล้วแต่ว่าถ้าจิตมันอุปทานตรงกันอุปทานเหมือนกนันก็เห็นเหมือนกันเหมือนอย่างอะไรอะ่ะที่มองไปบนท้องฟ้า ใช่ไหมเขาบอกว่าเอา้าโหมีอะไรฮะธรรมกายเขามีอะไรนะที่บอกมองขึ้นไปเห็น เ, เห็นอะไรอะ่ะที่ท่าลอยอยู่บนท้องฟ้า อ, า <c oughs> อ่นะอันนั้นเนะ่ะเขาก็เรียกสะกดจิตหมู่ <c oughs> นะั่นคือก็เห็นโหเหมือนกันเลยนะวันนั้นอุปท า, านเหมือนกันอุปท า, านเดียวกันจิตมันก็มันก็ตรงกันเพราะมันก็จะเห็นออกมาเหมือนเหมือนกัน ไม่จาเป็นว่าคนเดียวเห็นก็ได้หลายคนเห็นก็ได้ถ้าพวกคุณเนี่ยจะไม่สงสัยเลยถ้าคุณเห็น เ, เขามีชมรมที่เป็นจิตวิทยาเนี่นะเป็นชมรมเกี่ยวกับจิตเนี่ยเขาเอาคนมาหลายหลายคนเลยนะเป็นหมู่เลยแล้วเขามาทดลองสะกดจิตพร้อมๆกันเลยปรากฏว่าไอ้ทั้งหมดนั่นแหละนัที่โดนเขาสะกดจิตเนี่ยก็ทำตามที่เขาสั่งเหมือนกันหมดทุกคนเลย ก็ยังเคยเอามาถ่ายทอดทีวีเลยบอกโอ้โหโเราไม่แปลกใจเลยถึงบอกว่าเออจริงๆด้วยคนเรามันโดนสะกดจิตหมู่ก็ได้เพราะาบางที่บางแห่งเนี่ยบอกรับผีมันไม่มีนะแต่ไอคนนู้นก็กลัวไอคนนี้ก็กลัวแล้วอุปทานที่บันทีมันฟังเขาเล่ามานะโอ้โหตรงเนี้ยมีผู้หญิงมาผูกคอตายนะผมยาวๆนะอย่างนั้นอย่างงี้มันมันสร้างอุปทานไปละเหมือนกันแล้วพอฟังมาแล้วมันมันก็สร้างไปเหมือนกัน เพราะนั้นเดี๋ยวคนนั้นก็เห็นอย่างเนี้ยเดี๋ยวคนนี้ก็เห็นอย่างงั้นคนละวันคนละอะไรอะ่ะเดือนก็แล้วแต่แต่เดี๋ยวมันก็เห็นเป็นลักษณะดเดียวกันออกมานะเพราะนั้นอันนี้ระวังเั้นถ้าศึกษาปฏิบัติรรมมาเนี่ยเลิกกลัวผีอย่าไปกลัวผีนะถ้ายังกลัวผีอยู่นี่เสร็จก็มันไม่มีแล้วมันจะมาหลอกได้ยังไงอะผีอะ ก็บอกแล้วว่าไอ้ที่หลอกนี่คือใจเรามันหลอกเองนะมันไม่มันไม่มีผีมาหลอกเราหรอกแต่ใจเราเนี่ยธรรมาก็เคยเทศเคยบอกไปว่าโอ้ยวิธีไล่ผีง่ายมากง่ายที่สุดวิธีไล่ผีเนี่ยง่ายนิดเดียวถ้าคุณรู้วิธีนะนะใครๆครเคใช้วิธีไหนไล่ผีบ้างอนะ้าวอันนั้นรู้ความจริงใช้ใจก็กล้าอน้น <c oughs> อ๋ออันนั้น พยายามย้ำนะพยายามย้ำผีไม่มีผีไม่มีพ่อท่านบอกว่าผีไม่มีเอันพยายามใช้วิธีย้ำอ่ะก็มันยังไม่ล้างอุปทานนั้นมันจะใช้แบบพยายามสะกดจิตตัวเองว่าไม่มีไม่มีคือพยายามสะกดจิตแต่ว่าถ้าสะกดไม่อยู่ลึกๆอ่ะในจิตใต้สํานึกมันยังกลัวอยู่เพราะมันไม่ได้ล้างจิตใต้สํานึกที่ที่ยังเป็นอุปทานในจิตไม่ได้ล้างออก พยายามจะใช้สมถะไงกดข่มมันลงไปว่าไม่มีไม่มีอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอันนี้ใช้สมถะกดข่มอ่าบางคนไหนไหนใครใช้วิธีไหนอีกอ่าอันนั้นใช้ใจกะกาเข้าไปดูอ่ะแต่อันนี้น้อยรายที่จะมีใช้อออ่า <c oughs> อันนี้นะถ้าใช้แล้วนะจบเลยนะเพราะส่วนใหญ่บอกแล้วว่ามันไม่มีใจกะกาเนี่ยเข้าไปดูจริงๆแล้วไม่เจอหรอกข่าวไหนก็ข่าวนั้นไม่มีเจอ ยืนยันกับคุณร100้0ยเ็พันปรเซ็นต์เลยว่าไม่เจออาตมาก็เคยใช้มาว่าเออมันไม่เจอนั้นแลเนี่ยจะหา ย, หายลงไปได้เยอะก็เพราะใช้วิธีว่าก็กล้าเลยเข้าไปดูอาตมานอนอยู่ที่ชั้นดอกไม้งามของพระอริยะสมัยก่อนเนี่ยนะหลายปีเลยนอนอยู่รูปเดียวกับกัโบโรงศพเนี่ยมันจะมีศพอยู่สองโลงสองชั้นแล้วก็มี ศพอื่นๆ อ, อ, อีกหน้าศพเด็กมั้งอะไรต่ออะไรใส่โลใส่อะไรนี่อ่าแล้วบางทีเนี่ยมันดึกมันไม่ทุกวันหรอกบางวันมันก็เอามาเอาอ่ะเรื่องเก่ามันขึ้นนะเอ้ยชัดบวดบวัดชักบันบันบางทีเนี่ยมันเหมือนกับหางตามมันเห็นอะไรแวบแวบแวบแวบเคยเป็นปะเออเฮ้ย อ, อ, อ, อะไรปะเอาละเริ่มละเริ่มละพออะไรปะอะไรปะเริ่มละ ก็เลยบางทีเอ้ยต้องตั้งสติตั้งใจใจดีก็เดินเข้าไปดูบางทีเนี่ยมึดๆจะพยายามเดินเข้าไปดูนะปรากฏว่าบางทีคือสองชั้นเนี่ยโลงสองชั้นชั้นบนมันสูงอีกชั้นหนึ่งมันต่ำชั้นล่างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกพวกหอพวกเอากระดูกมาหอมาวางเป็นอะไรอ่ะ ไม่ได้เป็นรูปไม่ได้เป็นร่างอะไรสักกทไหร่นะเขาก็เขาามาวางให้ดูว่าเออชั้นล่างนี่เป็นกระดูกแต่ชั้นบนเนี่ยเป็นศพแบบดอกไม้งามของพระริยะคือยังมีรูปร่างมีตัวตนที่เห็นได้ว่าเป็นตัวตนเพียงแต่ว่าจะแห้งไงหนังจะแห้งติด ก, กับกระดูกหนะ้าท่าตาก็โบร์ไป ก, ก, ก, ก, ก็ลึกลงไปอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเนี่ยบางครั้งก็ปรากฏว่าไอ้ที่โลงเนี่ยมันก็มีเสียงกอกแกกอกแกกอกแก นะแต่ถ้าวันไหนเนี่ยใจกล้าแล้วจะล้างอุปท า, านนะเพราะฉะนั้นก็ไม่นั่งในกดแล้วก็จะออกมาแต่ถ้ายัง ก, กลัวๆหน่อยเราต้องไปเปิดไฟก่อนอย่างน้อยๆก็เอาไฟช่วยหน่อยให้มันสว่างสว่างแต่ถ้าวันไหนเรารู้สึกว่าเอาละวันนี้ต้องเอาให้ชัดเลยเพราะนั้นก็ไม่ต้องไปเปิดไฟมืดๆหน่อยก็มืดๆเราก็เดินก็ไปอย่างเก่งก็อาจจะมีไฟฉายเล็กๆทั้งอันหนึ่ง เดินไปเลยเดินไปที่โรงเนี่ยเพราะเสียงมันดังกว่แกะกวแกที่โรงใช่ไหมเราก็ไปโผล่ไอ้ไอ้โรงชั้นบนเนี่ยมันสูงนะสูงระดับแบบถ้าเรามองเนี่ยเราจะต้องเขย่งเท้านิดหน่อยนะแล้วก็ชงโงกชงโงกอะไระเขาเรียกอะไรชงโงกหน้าให้ให้ให้อยู่เหนือโรงเนี่ยแล้วมันถึงจะมองมองในโรงได้ถนัดว่าเป็นยังไง นะไอไอตอนสําคัญที่สุดคือตอนเนี้ยตอนที่เราเขยเ่งขึ้นแล้วเราก็กําลังจะโงกเนี่ยเพราะว่าใจเนี่ยนะมันมันจะเจอหรือว่ามันไม่เจอวันเนี้ยมันจะเจอหรือมันไม่เจอวปะเนี่ยคือไอตอนนี้ที่ะที่โอ้โหสุดยอดเลยละ่ะนะพอเราโผล่ขึ้นไปเนี่ยนะยิ่งพอตอนที่เราโผล่นี่นะโอ้โหบางทีี่ขนลุกสู้เลยนะเพราะว่าอะไรเพราะตอนที่เราโผล่นี่นะมันเสียง ก, ก็แกรกแกรดดังขึ้นตอนนั้นพอดีเลยละ่ะโอ้โหบางครั้งนี่ขนลุกสู้ โอโหสะดุ้งเือกเลยนะไอไอหน้าที่จะโงกเข้าไปนี่ผวาออกมาเลยผ ง, งาผ ง, งาออกมาเลยแต่จริงๆแล้วก็ไม่เจออะไรศพมันก็มีอยู่มันก็มันเฉยๆของมันอย่างนั้นมันไม่มีอะไรมันไม่มีชีวิตมันไม่มีจิตใจอะไรแล้วนะเสร็จแล้วตะาหลังเนี่ยบอกเอ้ก็ไม่เห็นมันมีอะไรก็เอาไฟส่องดูให้ดีเอ้มันก็อยู่เหมือนเดิมเสร็จบางทีเดี๋ยวมันดังกอกแกก็แล้วคือแต่ก่อนเนี่ยไอ เอ้อะไรนะเพดานเนี่ยมันจะเตี้ยเพดานชั้นดาดฟ้าเนี่ยมันจะเตี้ยเ อ, อที่ไหนได้นะไอ้พวกหนูเนี่ยแหละมันวิ่งอยู่ข้างบนเนี่ยโอ้แล้วมันดังก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊แกเล่นลเราเราสะดุ้งอยู่บ่อยเนี่ยอย่างเงี้ยก็เป็นวิธีการที่เราจะล้างกิตล้างอุปท า, านวันถึงบอกว่ายืนยนัยนยน100ืนยันร้อยเปอร์เซ็นพันเเซ็นตว่าผีมันไม่มีขอให้คุณเนี่ยก้าพิสูจน์เถอะ การทดสอบการทดลองแล้วคุณจะเห็นได้เลยว่าไม่มียิ่งใครเนี่ยยิ่งกลัวเนี่ยอุปทานยิ่งมากก็เลยมากก็เลยเพราะฉะนั้นใครเนี่ยไปสะสมไอ้ความเชื่อความกลัวอะไรพวกนี้มากๆช็อกได้น่าอาวนี่แถม <c oughs> แถมเรื่องว่าแม่ของมารดาของพระวกริตอนที่พระวกริยังแบเบาะ อ, อยู่เนี่ยเนี่ยถูกปีศาครุกขามก็คือเนี่ยจิตมันหลอน หลัวนั่นกลัวนี่มีใจเกิดความหวาดกลัวว่าลูกน้อยจะป่วยไข้เป็นอันตรายจึงนําเอาทารกวัคกฤตไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าองค์ส ม, มณะโคดมแล้ววางทารกน้อยลงที่ใกล้พระบาทของพระพุทธองค์อันนี้เป็นความเชื่อเยอะเลยใช่ไหมที่คนเชื่อว่าเนี่ยถ้าอะไรนะถ้าผีเข้ามั่งหรือว่าโดนสิ่งชั่วร้ายอะไรมา อะไรอ่ะมาครอบงําบ้างหรือกลัวว่าเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างส่วนใหญ่พาไปหาพระนะแต่อันนี้นี่พาไปหาพู้เจ้าเจ้าเลยนะอืเสร็จแล้วก็กราบทูลกับผู้พจทธเจ้าว่ามอมฉันขอถวายทารกนี้แด่พระองค์ขอพระองค์ทรงกรุณาเป็นที่พึ่งแก่เขาด้วยเถิดแสดงกกว่ากลัวลูกจะอันตรายก็เลยเอ๊เขาเรียกอะไรนะก็มีเรียกอ่ะที่ที่ที่ถวายให้พระเนี่ยอะไรเงี้ย เ, เอายกให้เป็นลูกกันแหละบางทีเขาเรียกว่าอะไรนะเขามีเรียกเรียกยกให้เป็นลูกอ่ะเสร็จแล้วก็พอพ่อแม่ตัวเองก็ไม่จะให้เรียกว่าพ่อแม่ให้เรียกเป็นอามั่งเรียกเป็นป้าบัางเรียกเป็นอะไรบ้างอย่างเงี้ยคื อ, ค, อคือเขาเชื่อถือกันนะ่ะว่าถ้าถ้าถ้าพ่อแม่จริงๆเนี่ยถ้าให้เรียกพ่อแม่เนี่ยใช่ไหมคือเดี๋ยวลูกมีวิบากเดี๋ยวลูกจะโชคร้าย มันต้องให้พ่อแม่คนนี้ไปยกให้คนอื่นเน่ยโดยเฉพาะเนี่ยแหละชอบไปยกให้พระเนี่ยอ่าเป็นลูกพร ะ, ะ, น, พระนั่นแหละก็เหมือนอย่างงี้ไปยกให้ลูกพระอันนี้ยังยังเป็นความเชื่อเยอะเลยทางด้ี่ความจริงไม่มเกี่ยวนะมันแล้วแต่วิบากกรรมวิบากบุญวิบากบาปของแต่ละคนน ะ, อ, ะอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่ที่แม่ของอดีตนะพระวัตร ตอนเป็นทารกก็เชื่ออย่างนี้ทีนี้พระาศาสดาผู้เป็นที่พึ่งของหมูสัตว์ที่หวาดกลัวทั้งหลายทรงรับเอาทารกน้อยจากพื้นขึ้นมาเพราะว่าเขาก็มาวางใกล้ๆพระบาทของพระเจ้าใช่ไหมท่านก็ท่านก็อนุเคราะห์พูด ง, ง่ายๆนะช่วยอุ้มขึ้นมาดูนะทรงรับเอาทารกน้อยขึ้นมาจากพื้น ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองทารกน้อยเปรียบเสมือนได้รับการดูแลรักษาโดยพระพุทธองค์ทารกจึงเป็นผู้พ้นแล้วจากความเจ็บป่วยอยู่มาได้ตลอดนะด้วยความสุขสําราญและมีความรักความผูดพันต่อพระาศาสดาเป็นอย่างมากคือจริงๆเนี่ยเด็กนี้ไม่ได้เป็นอะไรเด็กก็ไม่จะเจ็บป่วยอะไรแต่ตัวแม่เนี่ยที่เขาใช้บอกว่าโดนปีศาจมันหลอน นั่นก็คือจิตเนี่ยหวาดกลัวไอ้นู่นหวาดกลัวนี่กลัวลูกจะเป็นอันตรายเนี่ยก็เลยต้องเอามายกให้เป็นลูกพระจริงๆแล้วหายเก็บไข้ใดป่วยจริงอ่ะควรจะเป็นใครฮะแม่เพราะว่าลูกไม่เป็นอะไรหรอกที่จริงแม่เนี่ยพอมายกให้แล้วรู้สึกสบายใจใช่ไหมว่าเออเออยกให้พระบุญ เ, เจ้าแล้วเพราะฉะนั้นตัวเองก็เลยคลายใจสบายใจ ทั้งทีจริงๆลูกไม่ไดเป็นอะไรอยู่แล้วเสร็จปรากฏว่ามันก็เหมือนกับเป็นวิบากหน้าอย่างหนึง่งที่สำหรับทาลกน้อยเนี่ยก็เออก็ต้องมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยกับอดีตของพระวักริินั่นตั้งแต่เด็กๆเลยแต่นีพออายุได้เจ็ดขวบน่าจึงขอบวชเป็นบรรพชิตในพระพุทธศาสนาคือคือผู้ง่ายๆว่ามีความผูกพันมีอะไรเนี่ยมาก เสร็จแล้วเนี่ยขนาดว่าอายุได้น้อยเนี่ยมันก็มีจิตนะก็แสดงว่าก็ต้องสั่งสมอะไรต่ออะไรไว้แค่เจ็ดขวบนี่ก็ขอบวชเลยแต่ในที่นี้นี่เขาบอกนะว่าขอบวชแล้วก็เป็นบรรพชิตแสดงว่าอันนี้คงจะยังไม่ได้บัญญัติในเรื่องของถ้ า, ายุน้อยก็ให้เป็นส ม, มเนนก่อนนะอาจจะเป็นช่วงนั้นคือถ้าบัญญัติแล้วนี่ก็ไม่ได้ละ อย่างน้อยต้องอายุเท่าไหร่ที่จะบวชเป็นพระได้ยี่สิบนะอันนี้ก็มาบัญญัติต่อเมื่อว่ามีเหตุการณ์ขึ้นมาก็เลยต้องมาบัญญัติเพราะนั้นเมื่อบัญญัติแล้วเนี่ยผู้ที่จะบวชได้ก็ต้องอายุยี่สิบแล้วถึงจะบวชได้แต่ น, นี้คิดว่ายังอยู่ในช่วงที่ก้งยังไม่ได้บัญญัตินะถึงอายุน้อยก็บวชได้เลยบวชแล้วก็เฝ้าติดตามพระศาสดาด้วยศรัทธาตลอดมาคอยรับใช้ใกล้ชิด เพราะไม่อิ่มในความปรารถนาที่ได้ดูพระสรีละอัน ง, งามประเสริฐของพระพุทธองค์จิตของวักริภิกษุติดหลงในพระสลีละของพระพุทธเจ้าผูกพันรักขอใช้คำนี้เลยรักและผูกพัน <laughs> นะศรัทธาก็ศรัทธาด้วยก็คอยติดตามรับใช้ใกล้ชิดด้วย แต่ในขณะเดียวกันนะก็มีจิตที่ชอบในรูปโฉมโนมพัน์นะจริงๆกันที่เขาใช้กับผู้หญิงเหนเนาะคื อ, ค อ, คอชอบในเนี่ยรูปโฉมอะไรสรีละของผู้เจ้าว่าโอ้โหงดงามมากผู้เจ้านี่งามมากก็ยินดีพอใจเพราะฉะนั้นผู้เจ้าจะไปที่ไหนเนี่ยก็คอยตามรับใช้เพื่อที่จะได้เห็นรูปเจ้านะ ติดใจตรงนี้เนี่ยเยจิตเนี่ยมันติดหลงตรงนี้มันพระเจ้าจะไปไหนไปไหนก็คอยตามอยู่ตลอดนะเมื่อพระศาสดาทรงทราบเหตุนั้นแล้วทรงตำหนิว่าภิกษุนี้หากไม่ได้ประสบความสลดสังเวชบ้างก็จะไม่อาจรู้แจ้งเห็นจริงได้อพระเจ้าทราบแล้วนะเนี่ยเพราะอาการคงออกอะ่ะคงไม่ดูอะไรยากจนเกินไปนักหรอกนย ถ้าคนมาศรัทธาโดยที่ไม่มีแบบว่าไม่มีการไม่มีแบบราคะในเรื่องของรูปอะไรพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะถ้าศรัทธาแบบธรรมดามันก็อะไรอะ่ะห่างบ้างอะไรบ้างไม่มีปัญหาอะไรนี่ใช่มล่ะแต่ถ้าศรัทธาแบบเริ่มมีการมีราคามีอะไรเจือปรนเข้ามาอ้าวมันก็เริ่มติดเขาเรียกว่าเริ่มติดแล้วคราวนี้ก็เลยติดสอยห้อยตาม แมไปที่ไหนก็ต้องคอยตามต่อยต่อยต่อยตยนะในที่สุดพุทธเจ้าท่านก็ทราบทราบแล้วตอนนี้ท่านเห็นเลยบอกถ้าอย่างเนี้ยต้องแก้แล้วต้องแก้แกนิสัยมันพระพุทธเจ้าบอกว่าจะต้องแก้คือจะต้องถ้าเป็นสายกรรมสายราคะต้องแก้ด้วยอะไรฮะแก้ด้วยการพรากแก้ด้วยอะไระแก้ด้วยอะไรบ้างแก้ด้วยอสุภะ อ๋อเห็นความไม่ดีโอ้โหไอคนธรรมดาก็พอไหวใช่ไหมอันนี้พระพุทธเจ้านี่โอ้โหจะทํำยังไงพอะเห็นอะไรก็ดีไปหมดเลยนี่ฮะประเบถูกแล้อันนั้นเข้าใจอยู่อะ่ะว่าถ้าถ้าคนธรรมดาเรายังพออย่างนั้นได้ใช่ไหมออันนี้ใช้มรณ า, านุสติเอาได้อ๋อเห็นทุกในการต้องคอยตามต้อยๆเนา ะ, ะ, ะแต่มันตรงข้ามเลยนะั่ที่จริงอะ เขาตามนี้ก็มีความสุขมากเลยนะเออถ้าเห็นอย่างนั้นได้กะเก่งโอ้โหปรับจิตได้เห็นได้อย่างนั้นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยโอ้โหมันยินดีพอใจมากนะแม้ลําบากลําบนแม้จะอะไรโอ้โหเพียงแค่เนี่ยอย่างพระวัคคิิเนี่ยตอนเนี้ยนนคือแค่ได้เห็น่ จ, จะเน็ดเหนื่อยจะลําบากคอยรับใช้อย่างไรงอุ้ยมีความสุขแค่ได้เห็นเท่า น, นั้นเองอืโอโหแล้วแต่อย่างเนี้ยใช่ไหม เราลองดูตอนนี้ผู้เจ้าจะทํำยังไงบอกว่าถ้าภวกริเนี่ยไม่ได้รับความสลดสังเวทบ้า ง, างคือความสลดสังเวชนี่ก็เหมือนกับปรงอสุภะเหมือนอะไรต่างๆนั่นเองคือคือการหรือราคาเนี่ยมันมันจะมีทิศทางแต่ความยินดีความพอใจความชอบใจเ<ม>พราะฉะนั้นพูดง่ายว่าตอนนี้จะทํา ม, มุมขับขัดแย้งและมุมตรงข้ามบ้างหละ<ม><ม>คือจะต้องให้เกิดความสลด ให้เกิดความสังเวชเพรา ะ, ะนัน้ตอนนี้ผูกพันพูดง่ายว่ายินดีพอใจจะได้พบเห็นผู้เจ้าซึ่งพอใจอันนี้ก็กเป็นความศรัทธาอยู่ด้วยนะศรัทธาแบบว่าโอ้โหผู้เจ้า ด, งงาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อะไรต่ออะไรตอนนี้จะแก้และผู้เจ้าว่าจ ะ, จะต้องแก่จิตของพระวกรกฤิเนี่ยให้ได้ว่าถ้าขืนยังมีจิตอย่างนี้อยู่เนี่ยไม่หลอดแน่ นะจิตมันก็ต้องสะสมพวกนี้ไปเรื่อยๆสะสมกามสะสมอะไรคือมันยังเป็นเรื่องของกามเรื่องของราคะเพียงแต่ว่ามันไม่ไม่จะหยาบเหมือนผู้ชายผู้หญิงนะไม่ใช่พระวักกะลี่เป็นเกรเป็นไออะไรเป็นตุด๊ดเป็นอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะอันนี้จะเป็นจิตเรื่องของความศรัทธาแต่ยังติดในรูปคุณต้องต้องต้องแยกให้ชัดว่าอันนี้เป็นความศรัทธาแต่ยังติดในรูปอันนี้อยู่ วัน ผ, ผู้เจ้าก็เลยต้องแก้แล้วอันดีพผู้เจ้าก็เลยดังนั้นจึงตรัสขับไล่ออกไปวักกะลิเธอจงอยู่ให้ห่างเราเธอจงหลีดไปเสียคือพูดง่ายๆไล่เลยนะจริงๆท่านก็ไม่จะกล่าวรุนแรงอะไรนะดูแล้วสำนวนอะไรพวกนี้นะก็แค่ไล่แบบไล่ว่ายังไงไล่ว่าอย่ามาใกล้ก็หมายความว่าอย่ามาให้เห็น ให้ห uh, ่างๆให้ไปไกลๆไม่ต้องมาเห็นเราคง่ายพอถูกภาษาสดาขับไล่แล้ววัคตริพิกสุไม่อาจจะอยู่ต่อพระพักภาษาสดาได้เอาก็ะไรแล้วจะจะอยู่ได้ยังไงใช่ไหมไม่มีทางนี่ไล่ให้ไปพ้นๆก็ต้องก็ต้องไปอ่ะจะอยู่จะดื้อด้านยังไงได้นะเพราะนั้นอยู่อยู่ต่อไม่ได้แล้ว ด้วยความน้อยใจเสียใจอย่างรุนแรงพระวกริคิดว่าจะมีประโยชน์อะไรที่จะมีชีวิตอยู่ห่างไกลโดยไม่ได้พบเห็นพระศาสดาเนี่ ย, ยคือใจที่มันผูกพันมันก็คิดเลยว่าโอ้โหถ้าไม่ได้เห็นหน้าถ้าไม่ได้ยินเสียงโอยเป็นยัไยงไงถ้าไม่เห็นหน้าไม่ได้ยินเสียงตายดีกว่าเนี่ยย คำนวณทน น, นนี้ก็จะมีชีวิตยอยู่ไปทำไมพูดง่ายๆว่าทั้งน้อยใจทั้งเสียใจยูยนะโดนไล่ไปเนี่ยจึงบุกป่าฝ่าดง <c oughs> ด้วยความเศร้าโศกปายปีนขึ้นสู่ปากเหวของภูเขาชิดชกูดอย่างเงี้ยจริงๆแล้วดูแลจะเป็นยังไงละอย่างเงี้ยฮะ <c oughs> บุกบุกป่าฝ่าดงเพื่อที่จะไป อี่ขึ้นไปอยู่บนปากเหวของภูเขาขี้ชะกูดเนี่ยถ้าตามอ่านนี่จะเป็นยังไงล้วตามเนื้องี้ยฮะออก็เหมือนจะแหมไม่เห็นหน้าพระพุทธเจ้าตายซะดีกว่านะเป็นทำนองนั้นนะนะแต่ปรากฏว่าท่านก็คงไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะนะอย่างน้อยน้อยก็คงได้ฟังธรรมะได้อะไรต่ออะไรบ้างนะแต่ก็คงอาตมาว่าก็คงแวบๆอ่ะเนะพราะตามสํานวนที่ ที่บอกมานี่มันก็เชิงเิงนั่นอยู่นปรากฏว่าพอปีนขึ้นไปถึงหน้าผาแล้วพยายามข่มอารมณ์ที่เศร้าหมองจเจริญวิปัสสนาอยู่ก็พยายามเหมือนกันพยายามที่จะดับความทุกข์ความเศร้าหมองความเศร้าให้ได้พระาศาสดาทรงทราบความเป็นไปของวัคคิลิภิกษุทรงเล็งเห็นว่า หากวัคกฤินี้ไม่ได้รับการคลายใจจากความเศร้าหมองแล้วก็จะทําให้ไร้มรรคผลนิพพานเป็นแน่พระวัคกรติเนี่ยตั้งแต่อดีตใช่ไหมอดีตของผู้เจ้าปทุมตลุลาพยากร์ไว้แล้วว่าผูดง่ายจะได้เป็นอะไรผูดง่ายจะได้เป็นพระอารหันต์นะผูดง่ายใช่ไหมได้เป็นสาวกที่มีอะไรเอตัทักคะนี่ส่วนใหญ่จะต้องเป็นพระอารหรันต์ เสร็จแล้วพระพุทธเจ้ า, อ, าองค์ส ม, มณะโคดมท่านก็ต้องมียานย่างรู้อยู่แล้วท่านก็ต้องรู้ว่าเนี่ยพระวัตรกุลีเนี่ ย, ยมีสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมได้จะเป็นพระอาหารหันต์ได้แต่ตอนนี้โดนเนี่ยโดนกิเลสพวกนี้ครอบงำใช่ไหยตอนแรกโดนอะไรกิเลส ต, ตัวไหนกิเลส ต, ตัวกามเนี่ยแหละหน่าครอบงำท่านก็แก้ให้กามเนี่ยลดลงให้เนี่ยเยตอนนี้เจอความสลดสังเวชแล้วไง โดนไล่เนี่ยต้องพัดพลากหละต้องพัดพลาดต้องสูญเสียสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์เนี่ยนี่คือการให้เจอกับความสลดสังเวชไม่อย่างงั้นจิตก็มีแต่คิดโอ้โหเป็นความสุขคิดแต่มุมความสุขคิดแต่มุมความสุขอยากพบอยากเห็นแต่คราวนี้ไปเจอมุมทุกข์บ้างจะได้รู้ว่าโลกจริงๆมันเป็นอย่างงี้เหมือนกับที่ตอนตอน้ตนๆบอกถึงว่า กูนยาแต่พอใจไม่มีความขัดแย้งไม่มีอะไรเลย น, นั้นไม่ใช่ความจริงเพราะความจริงเนี่ยมันมีมุมที่เป็นทุกข์มันมีมุมของความขัดแย้งอันนี้เป็นสัจจะเลยมันต้องมีต้องเป็นเพราะนันตอเ น, นี้ยพระเจ้าท่านก็ให้ภรวกรกลิเห็นละเจอละแล้วก็โอ้โหเศร้าหมองจริงๆแต่ท่านก็พยายามเหมือนกันพยายามที่จ ะ, จะเจริญวิปัสนาที่จะแก้จิตหรือว่าจะคลายจิต